เรื่องกุลบุตรชาวมคตมีชื่อเสียงบรรพชาข้อ63สมัยนั้นพวกกุลบุตรชาวมคตที่มีชื่อเสียงพากันประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคคนตั้งหลายจึงพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าพระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อให้ชายไม่มีบุตรเพื่อให้หญิงเป็นไม่และเพื่อความขาดศูญย์แห่งรตระูลบัทนี้ พระสมณโคดมบวชชดิน 1,000 คนแล้วและบวชพริพาชคผู้เป็นศิษย์ของสัญชัย250หคนแล้วและพวกคนบตรชาวมคตเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงก็พากันประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักพระสมณโคดมอันหนึ่งคนทั้งหลายเห็นพวกภิกษุก็พากันโจทย์ด้วยคาถานี้ว่าพระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระคิริพทนครของชาวมคต ทรงนำบริพาโชคผู้เป็นศิษย์ของสัญชัยไปหมดแล้วบัดนี้ยังจะทรงนำใครไปอีกเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นตำหนิประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสียงนั้นคงอยู่ไม่นานจะมีเพียงเจ็ดวันเท่านั้นพ้นเจ็ดวันจะหายไป ภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นชนเราได้โจทย์พวกเธอด้วยคาถานี้ว่าพระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระคิริพุทนครของชาวมคตทรงนำริภาโชคผู้เป็นศิษย์ของสันชัยไปหมดแล้วบัดนี้จะทรงนำใครไปอีกเล่าพวกเธอจงโจทย์ตอบพวกนั้นด้วยคาถานี้ว่าพระตถาคตทั้งหลายทรงมีความเพียรมาก ทรงแนะนำด้วยพระสธรรมเมื่อรู้ชัดอย่างนี้จะต้องริษยาพระตถาคตผู้ทรงแนะนำโดยธรรมไปทำไม่เล่าสมัยนั้นคนทั้งหลายเห็นพวกภิกษุก็พากันโจทย์ด้วยคาถานี้ว่าพระมหาสมณะเสด็จมาสู่ครีพพนครของชาวมคตทรงนำปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของสัญชัยไปหมดแล้วบทนี้ จาทรงนำใครไปอีกเล่าภิกษุทั้งหลายก็โจทย์ตอบคนพวกนั้นด้วยคาถานี้ว่าพระตถาคตทั้งหลายทรงมีความเพียรมากทรงแนะนําด้วยพระสธรรมเมื่อรู้ชัดอย่างนี้จะต้องริษยาพระตถาคตผู้ทรงแนะนําโดยธรรมไปทำใหมเล่าคนทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระมหาสมณะผู้เป็นเชื้อสายสกยตบุตรทั้งหลายย่อมแนะนําโดยธรรม ย่อมไม่แนะนำโดยอาธรรมเสียงนั้นมีอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นพ้นเจ็ดวันก็หายไปสารีบุตรโมคลาณะปปัชชกถาจบภานวานที่สี่จบ